นิมิตที่เหมือนกันกลับลืมตาเห็นก็เรียกว่าอุกหานิมิตแล้วเราก็เพ่งอุกหานิมิตเนี่ยไปจนกระทั่งแปลสภาพเป็นความใยขึ้นสมาธิสูงขึ้นถึงอุปจารสมาธิและอัปนาสมาธิไปตามลาดับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสุภาวัธรรมที่ได้ปัญญาให้ผู้ใจมาแล้วทีนี้ถ้าเราจะเจริญอาโปกศิเราก็ต้องเพ่งน้าเพราะอาโปกสิลนี่หมายถึงเอาน้ามาเป็นดวงศิ เราถ้าหากว่าเป็นพรสงฆ์ก็หาบาตรที่มีหน้ากว้างประมาณหนึ่งคือกับสี่นิ้วไปหาน้าที่สายบริสุทธิ์ถ้าหากว่าได้น้ำฝนก็ดีอย่าให้มีผงมีอะไรอยู่ลอยอยู่ในน้ำใส่น้ำให้เสมอปากขอบาทหรือภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วก็เอาภาชนะที่ใส่น้ำนั้นนะมาตั้งไว้เบื้องหน้าเรา ทานจากตัวเราประมาณสองสองกับหนึ่งครึ่งแล้วเราก็เพ่งน้ําเป็นอารมณ์ว่าอาโปกตินังอาโปกตินังหรือน้ําน้ําน้ําจนกระทั่งเราเนี่ยจาน้ําได้หลับตาก็เห็นน้ําเหมือนกับลืมตาเห็นก็ให้เพ่งน้ําที่เราหลับตาเพ่งเนี่ยไม่ต้องลืมตาต่อไปจนน้ำเนี่แปลสภาพเป็นความใสเป็นอุปหานนิมิตขึ้นมาเป็นปฏิภาคะขึ้นมา อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญอาโปกระสินแล้วถ้าเราจะเจริญเตโชกระสินเราก็ก่อดวงไฟขึ้นเพ่งดวงไฟอาจจะต้องใช้ปืนใช้อุปกรณ์มากสักหน่อยหนึ่งแล้วเราก็เอารำแคนครหรือเสือแระแมมาตัดเป็นวงกระสินให้หน้ากว้าประมาณหนึ่งคือ่กับสี่นิ้วไปกั้นไว้ที่กองไฟโดยเอาฉเฉพาะเปลวไฟที่ลุกพาน ห้องที่เราเจาะเอาไว้เนี่ยเป็นอารมณ์แล้วเราก็นั่งเพ่งไฟสีแดงๆเป็นอารมณ์ว่าเตโชก็สินังเตโชก็สินังหรือเพลงวัดไฟไฟไฟจนกระทั่งเราหลับตาแล้วเราก็ยังเห็นไฟเนี่ยเหมือนกับลืมตาเห็นเมื่อหลับตาเห็นเราก็ไม่ต้องลืมตาบ ร, รกบาบิกรรมเราก็หลับตาบริกรรมไปเรื่อยจนกระทั่งนิมิตคือไฟเนี่ยใสสะอาดขึ้นมาตามลำดำับอันนี้เราก็สําเร็จเป็นขอข้าหนิมิต เป็นปฏิภาณธรรมิมิตขึ้นส่วนสภาวธรรมนั้นก็เหมือนกันกันกบเจริญปฐุมีกสิถ้าเราจะเจริญวายโยกสิ่ก็ให้กำหนดลมพัดเราอาจจะกําหนดใบไม้ที่กำลังไหวไปไหวมาก็ได้เราอาจจะกำหนดผิวกายของเราเช่นอย่างลมมัมะทะกายเราเราก็รู้ว่าลมกระทบอย่างนี้ก็ได้ เราจะกำหนดลมที่พัดปลิวผมของคนอื่นเป็นอารมณ์ก็ได้เช่นความไหวของเส้นผมเนี่ยเราจะเพ่งเป็นเป็นวายโยกสินก็ได้ใช้ได้ใช่ไหมเพราะวายโยคือลมเนี่ยเรามองไม่เห็นรูปร่างเราเห็นแต่อาการของลมที่มากระทบกับวัตถุเช่นกระทบใบไม้ใบไม้ไหวกระทบกับต้นหญ้าต้นหญ้าก็ไหวเองกระทบกับผมผมปลิว กระทบกับกายเ่มีความรู้สึกว่าลมเนี่ยมากระทบเราก็เพ่งลมอันนี้เป็นอารมณ์แต่ว่าอารมณ์กสิณเนี่ยปรากฏชัดยากเพราะว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนอยู่เราไม่นิยมกสิบัติถ้าเราจะเจริญนีลาสิณก็เพ่งเอาสีเขียวเป็นอารมณ์สีเขียวในที่นี้หมายถึงสีเขียวแบบเขียวเอ่อสีใบไม้เขียวใบไม้เราก็ เอาดวงกรสินเนี่ยทาเป็นสีเขียวแล้วก็เพ่งที่กลางดวงกระสินวันนีลักกสินนางนีลกสินาเหมือนกับเพ่งปฐวีกสินเหมือนกันอย่างนี้เดียววันนีลกสินถ้าเราจะเจริญปีตกสินก็เอาดวงกสินที่เป็นสีเหลืองแล้วก็เพ่งเหมือนกับเพ่งปฐวีกสินต่างกันแต่รลงบริกรรมว่าเราจะต้องบริกรรมว่าปีตัดกสินนางปีตกสินนาง หรือบริกรรมในใจว่าเหลืองเหลืองเหลืองก็ได้จะว่าท่านถ้าสําเร็จปีตกักศินเขาบอกว่าสามารถที่จะทําวัตถุให้มีสีเหลืองได้หรือเสกวัตถุเนี่ยให้มีสีเหลืองดุจดังทองคําได้เอาฟอนหินเนี่ยมาเสกเป็นทองคําเหมือนอ า, อาจารย์ยีเสกทองคําแจกไปภาคหนึ่ง หาว่าสเศษฟีตากสินเนี่ยทําได้นะคือทําวัตถุให้มีสีเหลืองได้โดยหลักวิชานะทําได้แต่ว่าจะทําถึงขั้นหรือไม่เท่านั้นเองจริงหรือไม่จริงเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าถึงขั้นตามหลักวิชาแล้วนี่สามารถเสกได้ทําก้อนหินเนี่ยให้มีสีเหลืองเหมือนทองคํานำแต่ไม่ใช่หมายถึงเสกให้เป็นทองคําทําสีเหลืองให้เหมือนสีทองคําได้ แต่จะเป็นทองคําหรือไม่เป็นนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งกาเสกให้เป็นทองคําได้ก็ดีแต่ว่าเป็นไปไม่ได้ทําให้สีเหลืองมาทองคําเนี่ยได้หลักวิชาหนละักทหมายถึงว่าทําสีเหลืองให้เป็นทองคําไม่ใช่หมายถึงไปเสกอะไรให้เป็นทองคอําเพราะถามว่าเสกอะไรให้เป็นทองคําได้ก็เราจะมานั่งเรียนเศรษฐศาสตร์าากันไหมก็นิมนต์ท่านเราเป็นรัฐมนตรีเศรษฐศาสร ให้ท่านนั่งเสกภูเขาให้เป็นทองคําให้หมดคนจะได้ร่ำรวยกันมีทองคาใช้จ่ายมันเป็นไม่ได้หรอกแต่ว่าทําสีให้เหมือนทองคนะําน่ะทําได้ให้วัตถุอันนั้นอ่ะเหลืองเหลืองขึ้นแต่ว่าไม่ใช่หมายถึงเอาวัตถุอันนั้นมาเป็นทองคําเหลืองเหมือนทองคอําเดี่ยวโดยหลักวิชานะทําได้ด้วยอํานาจของปีตกศิลถ้าหากว่าสําเร็จโลหิตกศิลท่านบอกว่า สามารถที่จะนรมิตกายเนี่ยให้เป็นสีแดงขึ้นมาได้เนรมิตสีแดงให้เกิดได้ถ้าหากว่าสำเร็จอารโรกะกสินก็สามารถที่จะทำให้เกิดความสว่างเกิดความสว่างสวยัยหรือบรรเทาความง่วงต่างๆเนี่ยให้เกิดขึ้นได้บรรดาบรนเทาความง่วงเหาวหานอนต่างๆไม่ให้ง่วงได้ด้วยอำนาจของอารโกะกสิน ถ้าสำเร็จโอทาตาัดกสินก็ทําสีให้สีขาวให้เกิดขึ้นได้หรือทําที่อันเลือกมิดเนี่ยให้สว่างขึ้นมาได้เพื่อเห็นรูปน้ําด้วยที่ปรจักษขูอย่างผู้ที่เรากล่าวว่าเป็นผู้มีที่ปรจักษขูมองอะไรเห็นเช่นมองลงไปใต้ดินแล้วก็ชี้ลงไปว่าใต้ดินเนี่ยมีอะไรถ้าผู้สําเร็จกสิณประเภทโอทาต่างมองเห็น แาลว่าอธิษฐานในที่บืดให้สว่างขึ้นและก็เห็นด้วยอานาจที่ประจักษ์ปัญญานี่หมายถึงขั้นอภิน ญ, ญานเะขาเห็นได้ผู้ที่สมเด็จอากาสักสินนี้ก็สามารถที่จะทำสิ่งอันลี้ลับเนี่ยให้เปิดเผยได้เช่นมีอะไรอยู่ในกาแพงมีอะไรอยู่ในภูเขาผู้สมเด็จอากาสักสินเนี่ยทำได้รวมทั้งเอาตัวเองเนี่ยทะลุเข้าไปในภูเขาในกาแพงได้ เมื่อเข้าไปแล้วยังไปสําเร็จสิริยาบทจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนในเสาของกรีบนี่ก็ทําได้เนี่ยอย่างผู้ที่สําเร็จอากาศสักกศินเนี่ยเขาสามารถที่จะนําตัวเนี่ยเข้าไปสู่ในที่อันหนาทึบเช่นอย่างภูเขากําแพงอันใหญ่สามารถทําให้ถล่ดได้โดยเอาตัวเองเนี่ยรอดออกไปได้ด้วยอํานาจของอากาศสักสินนี่เป็นหลักวิชานะที่มาบรรยายนี่ เป็นหลักวิชาที่ท่านทาแล้วก็เมื่อทําถึงขั้นแล้วก็แสดงริสต่างๆเหล่านี้ได้แต่ไม่ใช่หมายถึงเป็นเป็นสามัญญผลในพระพุทธศาสนานี้หรือว่าเป็นธรรมะชั้นสูงในพระพุทธศาสนานแต่พระพุทธองค์ได้แสดงด้วยอํานาจของสมาธิจิตที่บุคลคลฝึกฝนมาดีแล้วสามารถทําอย่างนี้ได้แต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ ถ้าจะใช้เป็นการประมาณเป็นไปเพื่อเผยแพร่หลักธรรมแล้วดังเช่นพระโมคคัลลานะท่านได้แสดงฤทธิ์มาในสมัยก่อนนั้นย่อมจะเป็นประโยชน์แต่จะเป็นประโยชน์โดเฉพาะบุคคลผู้ที่เป็นพระอระหันต์ผู้สินอาสวกิเลสแล้วเท่านั้นวิทยาการเหล่านี้จะไม่สําเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่มากกว่ด้วยความโลภความโกรธและความหลง หรือไม่เป็นประโยชน์แก่ผุต้ตุชนเพราะผุ้ตุชนถ้าได้ถึงขั้นนี้แล้วก็เห็นท่าจะไปนิพพานไม่ได้เพราะว่าบุคคลที่ยังเป็นผุนุ้ชนอยู่นั้นยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่แต่ถ้าหากว่าใช้เป็นเครื่องมือเผยแพร่พุทธศาสนาแล้วอาตมาว่าจะเป็นเครื่องมือเผยแพร่พุทธศาสนาได้อย่างดีแล้วก็ผู้ใดถ้าได้อย่างนี้แล้ว ผู้นั้นแหละไปฟื้นปูพุทธศาสนาในประเทศอินเดียได้โดยไม่ต้องไปสอนแขกเพียงแต่ห่อให้แขกดูสักรอบหนึ่งแขกก็เหยียบมันตายแล้วไม่ต้องก็แขกเรื่องสายตายเพราว่าแขกเรือดไหลทิพยหนังอินเดียแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องหนีห่อเถิดเดินอากาศทั้งนั้นเพราะว่าแขกเขาเลืองไหลอย่นียมานานแล้วถ้าใครสําเร็จอย่างนี้แล้วจะมาว่าไปเผยแพรพุทธศาสนาในอินเดียได้ ถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้นะเห็นท่าจะสอนแขกลําบากก็แขกพูดเก่งเหลือเกินไปเถียงกับแขกก็คงจะสู้แขกไม่ได้ที่ครั้งจะนั่งหลับตาแข่งกับแขกก็สู้แขกไม่ได้อีกครั้จะไปบมเพนธุกรักตัวยาแข่งกับแขกก็สู้กับแขกไม่ได้อีกแขกเขาแน่กว่าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าได้ฤทิ์เนี่ยตมาว่าไม่ต้องสอนอ่ะผอมไปเฉยๆเวลาจะไปอินเดียก็ไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปผอกไป ดนั้นแหแขกเริ่มไสโดยไม่ต้องสอนเคยมีสมัยก่อนพระอรหรันต์รูปหนึ่งท่านออกขึ้นไปเอาบาทบาดไม้แก่นจันตอนเช้าเนี่ยเพื่อนพระโมคคัลลานะมีเศรษฐีตนหนึ่งอยากจะถวายบาทพระหรือนักบวชเนี่ยแต่ว่าอยากจะให้นักบวชที่มีนิดเนะ่ขึ้นไปอาก็เอาแต่เอาเอาบาทเนแ่แหวนไว้ที่สูงเช่น เดือพีต่างๆอยากได้บาดไม้จันหรือเกินเพราะไม้จันแดงนี่หายากราคาแพงต่างคนต่างก็ทําท่าจะห่อแต่ว่าห่อไม่ได้หรอกลูกศิษย์ก็เคยดึงว่าอาจารย์ไม่ต้องห่อหน้าอาจารย์ไม่ต้องห่อหน้าอาจารย์ก็ทําหน้าจะหอ <c oughs> ่อเสร็จแล้วลูกศิษย์ก็ไปเกลียกลอมเศรษฐีบอว่าถวายท่านเจ อ, อย่าให้ท่านห่อเลยลำบากสุดเปล่าเศรษฐีก็ใจแข็งว่าไม่ได้เราต้องหอ่อคือไปเอาเพืจะถวายจะห่อไม่ได้ไม่ถวาย อาจารย์ก็ตำธาตำทางพุทพัดพุทพั ด, ด, ด, ด, ดจะต้องห่อให้ได้ลูกศิษย์ก็บอกอาจารย์อย่าห่ะเลยดึงเอาไว้พอสุดท้เลยไม่ได้หอ่อนั่นเพราะว่าอาจารย์หอกไม่ได้ลูกศิษย์ก็เลยดึงอาจารย์ด้วยอย่ห่ะเลยถ้าหอกแล้วก็มันไม่คุมเลยกับบาทลูกมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีค่าอะไรมากนะักแต่ท่านพารัทวาช้าเพื่อนพระโมคคานะนี่ท่านห่อได้ท่านห่อไปเอาจริงๆเดินบินถมาทตอนเช้าเนี่ยพระโมคคานะเอาเอาท่านหอ่อสลไป พอเหาะวนรอบถึงแม้แขกวิ่งตื่นสนกตกใจกันทั้งเมืองแขกวิ่งนันจะเหยียบกันตายเสียงอึกประคุ้งโครมไปหมดและวท่านก็เาบาดไม่จํา ง, งมาได้เสร็จแล้วแทนที่จะได้บาดช้ยสะพพุธองค์ทราบเรื่องเข้าบอกว่ า, าลูกนี้ไปทุบให้หมดไปทุบให้ละเอียดแล้ว ไ, ไปทำเป็นยาหยอดตาดิ บอกเธอไม่ควรแสดงฤทธิ์เพื่อบาดรูปหนึ่งทําตัวประดุลสังโสเพณีแม้ว่าเสียขายเลยว่าถ้าพราส ว, า, า, วาช้างเนี่ยปฏิบัติตนเหมือนโสเพณีเพียงบาตรูปหนึ่งต้องแสดงอภิน ญ, ญาหอบไปเอาบาตรูปหนึ่งตั้งแต่บัดนั้นเลยบัญญัติวินยันยว่าถ้าประสงค์แสดงฤทธิ์ต้องเป็นอบัติปาจิตตีเนี่ยกระสินสิบทำได้แต่ว่าถ้าพระรูปใดทาก็เป็นอบัติปาจิตตีถ้าทําเพื่อเพื่อหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านปรับเป็นอัปปะดังนันเวลานี้ยพระศาสอาจจะทําได้แต่ว่าท่านไม่ออกให้ดูทัง น, นั้นแหละกลัวเป็นอบัตปะของท่งนนานแต่ว่าวันมังมงาอาจจะได้แต่ว่าอาจจะอยู่ในป่าทีนี้ที่ไม่ออกให้เราเห็นคับเพราะว่ากลัวเป็นอบัตปะเพราะวีนายันหับไว้แล้วห้ามออนี่เป็นเรื่องของของสิณสิบผลก็อยู่ตร ง, ตรงแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆแต่พระพุทธองค์ไม่ให้ติดเพียงแค่ฤทธิ์มุ่งสู มัดผลผู้ที่ไม่มัวเมาเท่านั้นจึงจะเป็นประโยชน์ถ้าผู้มัวเมาแล้วไม่เกิดประโยชน์เพียงปัจจุบันนี้ไม่ต้องได้ที่ประจักษขู่ไม่ต้องหออเพียงแต่นั่งหลับตาดูโชคชะตาท่านไปแย่แล้วไม่ต้องไปไหนแล้วนั่งดูอยู่ทั้งวันโยงไม่ให้ดูเรื่องาณอาสมานี่ไม่ได้นั่งหลับตามาซีหรือยังถู ขอมาให้นั่งหลับตาด้วยหน่อยบอกลืมตาจะไม่เห็นอะไหลับตาจะเห็นไปใหญ่ลืมตาจะมองไม่เห็นอะไไปหลับตาให้เห็นยิ่งไม่เห็นใหญ่เนี่ยปัจจุบันนี่ไม่ต้องถึงขั้นเนี้ยเพียงขั้นนางหลับตา ต, บตามปากขบุกขมิ่งนั่นแหละเดี๋ยวโยมก็ไปขอให้ดูกันเยอะแยะนี่เป็นเป็นเรื่องของกสิณะที่ท่านได้แสดงไว้บประการหลักปฏิบัติในสมาธินิเพศนี้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 ว่าหลักการเจริญกระสินในพระพุทธศาสนา น, นั้นได้มีหลักการอย่างไร <Okay. S 1> ตลอดจนวิธีการที่จะไปเจริญกระสินได้มีวิธีการอย่างไรบ้าง <Okay. S 1> นอกจากกระสินสิประการัที่ได้อธิบายมาให้ท่านหลายได้เข้าใจแล้วครั้งหนึ่งยังมีหลักธรรมปฏิบัติที่จะทําให้จิตเกิดมาธิได้อีกหมวดหนึ่งคือการเจริญ อสุภะกรรมฐานถ้าพูดถึงเรื่องท้องอสุภะกรรมฐานแล้วโบราณย่อมจะเข้าใจได้เป็นอย่างดีว่ากรรมฐานประเภทนี้มีหลักปฏิบัติอย่างไรเพราะในสมัยโบราณนั้นพระเทระท่านนิยมจเจริญอสุภะกรรมฐานมากแต่ปัจจุบันนี้หาได้ยาก อสุภาษในปัจจุบันนี้อยู่ในฐานะเป็นพิธีการเป็นส่วนใหญ่เช่นอย่างพระสงฆ์ประดับประกรณ์ชักบางสกุลก็เรียกว่าเจริญอสุภาษกรรมฐานเหมือนกันแต่ว่าเป็นกรรมฐานประเภทแบบพิธีการเช่นอย่างท่านทั้งหลายได้อรรถนาพระสงฆ์ประดับประกร์บางสกุลจะเป็นบางสกุลอัตถิหรือบางสกุลสกตามั่นเป็นเรื่องของวิธีการ โดยทชุดผสมก็ไม่ได้เห็นตากบกไม่ได้เห็นกระดูดเลยแม้แต่น้อยทั้งนี้เพราะว่าคนตายในสมัยปัจจุบันกับคนตายในอดีตนั้นมีฐานะต่างกันสมัยก่อนปราชายังไม่เจริญเหมือนอย่างปราชาในปัจจุบันนี้ปราชาในปัจจุบันนี้มีฝึกดูหรูหลาเหมือนกว่าในสมัยก่อนมาก ในสมัยก่อนยังไม่มีปึกอยู่คนตายก็ต้องนอนเก็บกะตามโคนต้นไม้ตามตาซึ้มก็เป็นที่อูจาตามากหรือไม่เชนั้นก็ต้องไป น, นอนอยู่ใต้ดินมีการฝังกันในปัาชาแต่ในปัจจุบันนี้เราจะสังเกตได้จากปัาชาในพระนครคนดูเบางวัาที่มีุกิจกรรมเรื่องเผาถีเจริญรุ่งเรือ ง, องก็จะเห็นว่าปัชานี่สวยสดงดงามมาก บางคือมีตึกตั้งสี่ชั้นห้าชั้นนอนเรียงขึ้นไปก็ยังแน่นไปหมดแต่ในสมัยก่อนนนคำว่าป่าช้าก็เป็นป่าช้าจริงๆรกชัดเต็มไปด้วยต้นไม้รกลุงรังน่ากลัวไม่เหมือนอย่างในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ป่าช้าไม่ใช่เป็นสถานที่ที่น่ากลัวเหมือนกับในสมัยก่อน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 เพราะว่าเรามองไม่เห็นชาติศพคนตายมองไม่เห็นกระดูกมองไปเห็นแต่โรงที่ใส่ศพลูหลาเต็ไมไปด้วยเครื่องประดับประดาต่างๆมันไม่เป็นอารมณ์กรรมฐานทําให้พระที่ตรงกรรมฐานอยากจะตายวันตายพุ่งจะได้ซ้ำไปพก็ตายแล้วได้นอนลง ส, สวยๆหน้าตายเหลือเกินบางแห่งก็ประดับประดาเสียจนหรูหลาอารมณ์กรรมฐานก็ไม่เกิด โดยไม่จะเกิดเป็นโลภะหือด้ย้ยซ้ำไปฉะนั้นการเจริญอคุภาพตามาฐานในปัจจุบันเนี่ยจึงไม่ค่อยปราบฏดเหมือนอย่างในสมัยก่อนในสมัยก่อนนี้คนตายที่ไปทิ้งไว้ในป่าช้ามีมากเรานึกย้อนไปเมื่อประมาณสักสี่สิบกว่าปีห้าสิบปีจากห้าสิบปีที่ล่วงแล้วเอาแค่ป่าช้าวัดสเกต คนเก่าๆ เ, เล่าให้ฟังว่าสมัยเมื่อ50ปีล่วงแล้วที่ป่าช้าวัดสะเก็นี้เป็นป่าช้าจริงๆมีแรงลงมากใกล้ๆภูเขาทองที่ปลูกปลูกึกกันมากมายในปัจจุบันนี้จากตกมีแยะพระสงฆ์สมณีนนที่อยู่วัดมหาธาตุวัดพระเชษฐุพลวัดราชิบปิ์หรือวัดชนะสงครามอยู่บริเวณใกล้ๆอาณาบริเวณนี้ พรถองวันพระจะต้องไปตรงกรรมฐานที่ป่าช้าวัสเกตเดินไปตรงปรงกรรมฐานกันนี่ท่านเจ้าพนพุมเด็จพระวันรัตนวัชเชษสุพลองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านเคยเล่าให้ฟังว่าการเจริญนพระสุภาษกรรมฐานในสมัยที่ท่านเป็นเมนท่านเคยไปเพ่งบ่อยๆที่ป่าช้าวัสเกตและทุกวันพระจะมีญาติโยม น, นําน้ําน้ําอ้อย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 ก็เอาศพไปวางทำแบบกระดานศพคือนอนหงายแล้วก็เอาผ้าใายจีวรวางไว้บงมือของศพเวลาพระท่านจะไปพักชัดบังสุกุลท่านจะเหยียบกระดานแผ่นนี้ที่จะเอามือไปหยิบศพก็จะยืนขึ้นถ้าพระองค์ใดไม่เคยสมาธิไม่กล้าแข็งก็ต้องรีบโปล่อ้าวออกมาจากป่าช้าไม่ทันถ้าองค์ไหนสมาธิดีก็ยืนชัดบางสุกุลไป พอเหยียบกระดานและศพจ ะ, ะค่อยๆงายขึ้นตั้งและพระจาเอามือจับจีวรที่ผา ด, ด้วยบนมือของคนตายและก็เดินออกมาศพแั่นก็ล้มฟาดลงไปเนี่ยเล่นกันไปแปลกแบบนี้ท่านบอกว่าสมัยที่ท่านเป็นเดนท่านก็ไม่ได้ไปตั้งใจปรงงมงคำมัทงคำมถานอะไรหรอกอยากจะฉันน้ำปานะต่อไปเสร็จแล้วก็กลับมาฉันน้ำปานะ แต่บอกสมัยนั้นก็ไม่ได้คิดเท่าไหร่นักว่าจะเกิดประโยชน์อะไรแต่เมื่อศึกษาถึ้นกรรมฐานข้อนี้แล้วก็เห็นประโยชน์ว่าการเจริญอสุภรามกรรมฐา น, นมีประโยชน์มากมายได้ช่วยให้สมาธิจิตดีขึ้นและช่วยให้เกิดปัญญาหลายอย่างเพราะคําว่าอรุภรอสุภร า, านี้แปลว่าไม่งามกรรมฐานที่ไม่งามเราเรียกกันว่าอรุพรามกรรมฐาน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 อุทมาตกะอสุภาเนี่ยหมายถึงรากศพที่กำลังขึ้นพองศพที่กำลังพองเช่นอย่างศพของคนที่ตายไปประมาณหนึ่งวันสองวันเนี่ยจะพองขึ้นที่ว่าก่อนจะเน่าจะมีน้ำเหลืองทรัตออกมาเนี่ยจะพองขึ้นก่อนอย่างนี้เรียกว่าอุทมาตกะอสุภาเนี่ยประเภทที่หนึ่งประเภทที่สอง วิณีละกะอาสุภาษคำว่าวินีละกะอสุภานี้หมายถึงทรากศพที่กำลังเขียวเขียวชำ้ำคล้ายๆกับศพที่ถูกคว้าผ่าหรือศพที่กำลังจะเน่าอยู่แล้วศพนี้จะแปลสภาพเป็นสีเขียวสีคร่ำก่อนศพที่เขียวคร่ำอย่างนี้เรียกว่าวิณีละกะอาอสุภาษประเภทที่สวิปุปพภะละอสุภาษ คำว่าวิปุพกะอสุภะในที่นี้หมายถึงธาตศพที่หนองพ่ายท่านใช้คําว่าหนองท่ายก็หมายถึงธาตศพที่กําลังและด้วยห น, นองหนองกําลังแตกกระจายออกไปคือเมื่อมันพองมากเน่ามากแล้วก็จะมีหนองเนี่ยกระจายออกทั่วไปอย่างนี้เรียกว่าวิปุพกะอสุภะกรรมฐานเป็นประเภทที่สามประเภทที่สี่วิชิตกัป คำว่าวิชิตตะกอศุภาฯนี้หมายถึงซากศพที่ขาดวิ้นซากศพที่ขาดวิ้นเนี่ยเช่นอย่างาศพที่ถูกรถชนหรือซากศพที่ถูกควันถูกตัดอั่งนี้ก็ขาจจดกระจายไปซากศพชนิดนี้เรียกว่าวิชิตกะกัศุภาประเภทที่ห้าเรียกว่าวิขายิตกะกัศคำว่าวิขายิตตะกัศุภาฯในที่นี้หมายถึง ศพที่ถูกสัตว์กำลังยื้อแย่งกันกินหรือกำลังกัดกำลังขบอยู่อย่างนี้เรียกว่าวิขายิตกะประเภทที่หกวิคิตกะวิขิต ก, ขตกะอสุภะหมายถึงซากศพที่เรี่ยราดจะเรี่ยราดเพราะว่าถูกรบชนกันเรี่ยราดพระถูกระเบิด หรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามแต่ว่าอวัยวะต่างๆเนี่ยเรี่ยราดกระจัด ก, กระจายอยู่อย่างนี้เรียกว่าวิภิตตกะอสุภะกรรมฐานประเภทที่ดเจ็บหะตะวิภิตกะคํ า, า, า, าว่าหะตะวิภิตตะกะอสุภะในที่นี้หมายถึงตกที่ถูกฆ่าตกที่ถูกฆ่าแล้วก็ตกอยู่เรี่ยราดทั่วๆไป หรือศพที่ถูกทำร้ายเช่นถูกยิงด้วยระเบิดหรือด้วยปืนใหญ่เมื่อถูกเขาแล้วก็ร่างกระเละกระจัดกระจายไปอย่างนี้เรียกว่าหัตติกิจตกะอสุภาพกรรมฐาน้าศุประเภทที่แปดเรียกว่าโรหิตกะคาว่าโรหิตกะในที่นี้หมายถึงศพที่มีเลือดที่มีเลือดไหลออกจากศพ ศพที่มีเลือดทะลักออกมาจะเป็นเลือดออกทางปากทางจมูกทางหูหรือทางใบทนงหูก็ตามเรียกว่าโลหิตกะประเภทที่9วิสุภกะวิสุพก ะ, พกะอาศุพะกรรมฐานนี้หมายถึงซากศพที่กำลังถูกนอนชอนชัเช่นศพที่เน่าแล้วก็มีนอนเนี่ยกำลังชัยจะชัยจมูกชัยหูชั ย, ชยปาก หรือแต่ชายส่วนใดส่วนหนึ่งทราบศพกรตามจะมีหนอนขึ้นเต็มไปหมดอย่างนี้เรียกว่าสุรุวากสุรวุรวากอสุภากรรมฐานประเภทที่สิบอัติกะคาว่าอัติกะอสุภากรรมฐานนี่หมายถึงทราบศพที่มีแต่ร่างกระดูกหรือแต่โครงกระดูก เช่นอย่างโครงกระดูกที่โรงพยาบาลสงฆ์ทไว้โครงหนึ่งกด็ดีหรือที่สิริราชพยาบาลกด็ดีอันนี้เรียกว่าอัถิกะอสุภาษกรรมฐานหรือศพที่เราเก็บเอาไว้ในโกรเป็นศพ้องเป็นอัตติของบรรพบุรุษจะเป็นปู่ย่าตายายของเราเป็นมารดาบิดาสตามอย่างนี้เรียกว่าอัติกะอสุภกรรมฐานเวลาเราจะทาบุญให้แก่ผู้ตายเรานิยมที่จะเอา อัฐิเหล่านี้มาให้พระสงฆ์สดับประกรณ์บางสุุลแล้วเราก็อุทิศส่วนกุศลเหล่านี้ให้แก่ผู้ตายคําว่าสดับประกรณ์บางสุุลนั้นก็คือเอาอัฐิอันนี้มาให้พระสงฆ์ท่านเจริญกรรมฐานมันเองเรียกว่ากรุงกรรมฐานเพราะว่าคําสดับประกรณ์บางสุุลที่พระท่านใช้นั้นเป็นคําที่เป็นอารมณ์ของกรรมฐานเป็นการพิจารณาถึงรูปนามเป็นอารมณ์ เช่นพอพระสงค์ท่านอามือจับได้สายศีลที่โยงมาจากอัฐิเราจะได้ยินคำว่าอมิจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชนติเตสังบูปสโมสุขโขเนี่ยพระสงฆ์ท่านใช้ศัพท์เนี่ยบางสกุลซึ่งจะแปลเป็นภาษาทไทยก็ปแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยนเนอเมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมจะเสื่อมไปเป็นธรรมดา การเข้าไปสงโอบระงับในสังขารทั้งหลายเหล่านี้เสียได้เป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ได้ใจความอย่างนี้เป็นการให้พระสงฆ์เนี่ยได้พิจารณาถึงสังขารคือรูปนามว่าเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเสื่อมสิ้นไปเป็นของธรรมดาประไมยความว่าเมื่อเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นนามสมมติกันเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วสังขารที่เราได้ครอบครองกันอยู่ปัจจุบันนี้ ก็จะมีแต่การเสื่อมสิ้นไปตามลำดับจนกระทั่งแตกสลายไปในที่สุดจากก้อนเนื้อกลายไปเป็นกระดูกชิ้นเล็กชิ้นน้อยเราพิาจรารณาเหล่านี้เป็นอารมณ์แล้วก็จะเห็นได้ว่าการเข้าไปสงบระงับในสังขารก็หมายถึงว่าถ้าเราสามารถปฏิบัติธรรมจนกระทั่งยังนามรูปนี้ไม่ให้เกิดขึ้นในภพใดภพหนึ่งอีกนั่นเป็นสุขอย่างยิ่งคาว่ า, าสงบระงับในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่า เข้าไปตายไม่ใช่หมายถึงว่าการตายจะได้เป็นสุขอย่างยิ่งแต่หมายถึงว่ารูปนามหรือขันห้านี้ไม่เกิดเสียได้เป็นสุขอย่างยิ่งก็คือการทำวัตฏตพงสานี้ให้สิ้นสุดลงด้วยการเข้าถึงซึ้นพระนิพพานธาตุได้อันนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราได้พิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นอารมณ์ของกรรมฐานเนี่ยได้ชัดเจนขึ้น แต่ปัจจุบันนี้เท่าที่เราได้เจริญกรรมาฐานกันเรามองไม่เห็นมองไม่เห็นศกแล้วก็เห็นได้ยากจริงๆเราจะเห็นกันก็ครั้งเดียวเท่านั้นก่อนที่จะเอาศกใส่โลงคือตอนที่เรารดน้ำศพเวลารดน้ำศพศพไปยังไม่น่าเกลียดอะไรถึงแม้เสร็นั่นจะน่าเกลียดเราก็พยายามปกปิดความน่าเกลียดถ้าหากว่าผู้นั้นตายลงด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนอย่างหัวใจวายอย่างนี้ เราก็าอาจจะตกแต่งศพให้สวยงามได้ไม่เห็นว่าจะน่าเกลียดหรือเป็นอารมณ์อสุภะที่ตรงไหนมองไปก็เหมือนกับคนนอนหลับแต่ถ้าหากว่าเกิดตายที่น่าเกลียดขึ้นมาแล้วก็คลุมร่างจนมิดหมดจะโผล่มา ก, ก็เต็มือที่สำหรับให้เราหาามั่งน้ำลดลงไปท่านั้นเองซึ่งก็มีลักษณะงหยและการกระทำเช่นนั้นจะเกิดประโยชน์อย่างไร ความจริงการไปรดน้ำสดนั้นก็คือการไปปรงกรรมฐานปรงกรรมฐานให้ทราบถึงความจริงของชีวิตเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันโบราณท่านสอนคนฉลาดมากท่านใช้วิธีสอนในรูปของวิธีการหรือในลักษณะของประเพณีแต่เราเนี่ยไม่เข้าใจถึงปรัชญาลึกซึ้งของโบราณว่า